พอจเจริญพรน า, นายกดาวการชาติจังหวัดปุกเก็ตท่านเรานายกคณะกรรมการสมาชิกเดาการชาติจตังหวัดปุกเก็ตทุกท่านเนาะมันก็เราก็ได้เริ่มต้นในการสวดมนต์ธรรมชาติชาวชาวพวกเราก็จะมีการสวดมนต์คำวัดกันเพื่อจะยกขึ้นคุณพระกุฏเจ้าคุณพระธรรมคุณพระทรงนะหรือที่จริงแม้ ท่านวางท่านนัจะเป็นนับถือศาสนาอื่นนะก็ถ้าเราเลรึกถึงศาสนาของเราไปด้วยเราเลือกถึงประธรรมในศาสนาของท่านไปด้วยก็ได้เหมือนกันนะที่จริงวันนี้เรก็อาจจะไม่ได้เรียกว่ามุ่เน้นที่ตัวศาสนาแต่เราจะมาเน้นที่ตัวความจริงของชีวิตนะความจริงของชีวิตเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับศาสนานะ ที่จริงก็ไม่ได้เกี่ยวกับแค่มนุษย์เท่านั้นจริงสัตว์ทั้งหลายก็มีความจริงเช่นเดียวกันนะความจริงคืออะไรบางทีคือเราต้องเจอเรื่องราวมากมายในชีวิตของเราเนาะอานะตมาก็เจอโยมก็เจอนะคนไทยก็เจอคนไระเทศถื่นก็เจอเจ อ, เจอเรื่องราวที่ทำให้เกิดเป็นความทุกข์ใจนะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้นะท่าน ยกก ร, ระเป๋าอชาเขาบอกบางทีความทุกข์มันก็มีจากหลายเรื่องนะแต่บางคนก็จะทุกข์เรื่องไหนมากกว่ากันหรือบางจังหวะของชีวิตเราก็จะทุกข์เรื่องไหนมากหรือน้อยก็แล้วแต่จังหวะของชีวิตแต่เราก็หนีวิพ้นเนาะเราหนีวิพ้นการแก่การเจ็บการตายนะเราทุกคนหนีวิพ้น์ใช่ไหมฮะ อันนี้ก็เป็นความทุกข์ทุกข์เพราะอะไรบางทีเราก็ทุกข์เพราะเราไม่อยากแก่เราต้อ ง, งพยายามถนอมร่างกายให้ผิวหนังมันดีที่สุดไม่อยากเจ็บใช่ไหมก็ตัวแรงตักับข้าพหาหมอไม่อยากตายก็ต้องรักษาจนสุดชีวิตหาเงินหาทองมาได้เท่าไหร่ก็ทุ่มไปกับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บกับตัวของเราเองก็ดีหรือว่ากับ คนที่เรารักก็ดีเราก็ต้องพยายามแบบนี้เนาะแต่พอสุดท้ายมันไม่ไหวจริงๆเราก็ต้องจากกันจากกันแล้วทุกไหมทุกเนาะอืมเราก็ไม่อยากจะจากกันเนาะเราก็อยากจะอยู่ด้วยกันไปนานๆแต่ก็เรียกว่าเป็นธรรมชาติที่เราไม่สามารถห้ามได้บนะางทีเนี่ยก็เป็นความทุกข์ที่เราต้องเจอการทัดพ่าสูญเสียอืมนะ หรือเราต้องเจอกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจเช่นคำํำคำนิคํานินทาหรือว่าการใส่ร้ายป้ายสีอ่นะประทุนสลายทําร้ายกันเบางทีเราก็เจออันนะี้บางทีเราก็เรี่ยงไม่ได้ก็ไม่อยากเจอสิ่งเหล่านี้แต่บางทีก็เจอหรืออยากจะเจอคําชมอยากจะเจอคนที่ดีกับเราตลอดบางทีก็ไม่เจอต่อดนะเจอบ้างไม่เจอบ้าง เอาง่ายๆเนะี่ยเอามาสรุกง่ายๆรม็มั้บางทีความทุกข์ของเราเนี่ยมีจักห้าเรื่องเนดะี๋ยวลองดูชีวิตของเดียวนะหรือดูชีวิตกันอึ่นก็ได้ว่ามันเป็นแบบนี้นะนะอย่างที่หนึ่งนะทุก็เรื่องของครอบครัวหรือว่าญาติพี่น้องทุก็เรื่องลูกเรื่องสามีเรื่องภรรยาเรื่องของอญาติพี่น้องของเราแล้วแหละนะีมันก็เป็นเรื่องของความทุกข์ นะที่จริงก็เพ่ใช่แคทุกข์กันเลยหบางทีก็สุขใช่ไหมถ้าเขาดีถ้าเขาไม่มีปัญหาเราก็สุขยนะยินดีด้วยยิ้มแค้มปีเลยนะลูกรับปริญญาลูกได้ทํางานนะแต่บางครั้งเขามีปัญหาเขาไม่สบายเขาประสบกับธุรกิจติดนะ ข, ขัดเราก็ทุกข์ไปด้วยใช่ไหมนี่เขาทุกข์เพราะเรื่องของครอบครัวเรื่องที่ก็สุขเพราะเรื่องของครอบครัวเรื่องที่สองใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องของ สุขภาพตัวเราเองแล้วแหละแล้วก็หลๆท่านเนาะอยู่ในวัยสบอก็จะเห็นว่าร่างกายของเรามันไม่เหมือนกับหนุ่มๆสาวๆเนาะจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยนะออ่าไม่อยากโอยนะมันโอยกับมันเองใช่นั่งแล้วก็ไม่อยากลุกลุกแล้วก็ไม่อยากนั่งนอนแล้วก็ไม่อยากตื่นนะบางที มันก็เป็นแบบนี้นะมันเต้องหนีวิพนนะน่ะมันเป็นไปตามวัยของมันเนาะเหมือนรถที่เราใช้นานๆน่ะมันก็ต้องเครื่องมันก็ต้องปรับุงไปบ้างธรรมชาติของมันอันนี้คือเรื่องของสุขภาพร่างกายของเราเนี่ยมันก็เป็นความทุบนะอืตอนที่มันยังแข็งแรงนะอศาสนาเขาเรียกว่ามันทุบน้อยะแต่ตอนที่มันไม่แข็งแรงก็เลยเรียกว่าทุบมากเนี่ยนมีแต่ว่า ทุกมากากับทุกน้อยนะบางทีทุกน้อยเราก็เลยว่ามันสบายมันมีความสุขเนาะอืมอันนี้อย่างที่สองนะอย่างที่สามคือเรื่องอะไรเรื่องเองินเงินทองทองใช่ไหมตอนไหนมีเงินมีทองคล่องมือแล้วก็สบายมีความสุขแต่ตอนไหนเงินทองมันติดขัดมีปัญหาเป็นหนี้เป็งสินเราก็มีความทุกข์ใช่ไหมนี่ยนะบางทีเนี่ยก็เรื่องของเงินทองนะ ก็เป็นเรื่องของความทุม้งความสุขก็ได้นะอย่างที่สี่เรื่องอะไรอย่างที่สี่คือเรื่องเวลาใบพวกเราเสนอเป็นใบทํา ง, งานหรือใบเกษียณนะครัแต่เราคงระลึกได้นะตอนที่เราทํางานเนี่ยบางทีก็เรื่องงานนี่แหละทุกเนาะเราทํางานอย่างดีนะแต่บางทีก็มีปัญหาในการงานมีปัญหากับเพื่อนร่วม ง, งานหรือบางทีก็ไม่ได้มีปัญหาหรอกแําเครียด เครียดก็ว่ามันไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดไม่ได้ดีอย่างที่เราหวังนไม่ได้มีกําไรมากอย่างที่เราต้องการอันนี้คือเรื่องการงานถ้าเป็นเด็กๆ ก, ก็อาจจะเป็นเรื่องการ เ, นะเรียนเครียดในห้องเรียนเครียดก็สอบแข่งขันนะเครียดก็ได้คะแนนไม่ดีอนะ่สอบไม่ติดนะนนี้คืออย่างที่สี่นะเครียดแล้วนะอย่างที่ห้าเนี่ยก็เรื่องของความรัก นะถ้าเป็นหนุ่มเป็นสาวอนะกหักผิดหวังก็กทุกข์มากนะค่าตัวตายกินะไม่ได้นอนไม่หลับนะหรือว่าไบกลางคนขึ้นมาแล้วถ้ามีภรรยานะนอกใจก็ทุกข์หนักใช่ไหมอันนี้ถ้าเป็นของคู่คอหรือเป็นของแฟนแต่บางทีก็จะเป็นความรักในแบบของความสัมพันธ์ระหว่างาเพื่อนกับเพื่อนก็ได้เพื่อนที่เคยรักเคยชอบกันมา ก, มาก สุดท้ายก็เขอาอาจจะเปลี่ยนไปหรือเขอาอาจหักหลังเรานั่นก็เป็นความทุกข์ใช่ไหมฮะอันนี้มาเอาคร่าวๆนาะส่วนใหญ่ห้าอย่างเนี้ยใครไม่เจอบ้างมีไหมไหมีไมมีใครไม่เจอบ้างเจไหรือใครเจอทั้งห้าอย่างเลยบางคนอาจจะเจอสามสี่อย่างเนาะ หรือตอนนี้เราไม่เจอแต่ก็อดีตที่ผ่านมาก็เจอเนาะหรืออนาคตต้องเจอแน่นอนอย่างร่างกายเนี่ยนังไงก็หนีไม่ได้เนาะใช่ไหมเงินทองเราก็ส่งถึงแค่โรงบยาบานะลูกหลานก็ส่งถึ ง, ถงแค่รุมพังศพกแต่ว่าเอาเข่าศอกเท่านั้นอันไปส่งถึงได้แค่นั้นเนาะร่างกายของเรายัางไงมันก็ต้องต้องผูกต้องผังอันนี้คือเรื่องทีม่มันเป็นเรื่องของความทุกข์ใจเนาะ ความทุกข์ใจแต่ธรรมะนี่มันจะช่วยเยียวยาจิตใจนะบางทีเรามองว่าเรื่องราวพวกนั้นเนาะมันเป็นปัญหามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่าอะไรเราก็ต้องทุกข์ใจต้องร้องไห้ต้องกุ้มแต่ถ้าเรามีธรรมะเรามีสติปัญญานะปัญหามันจะไม่เป็นความทุกข์ เราจะรู้จักแยกได้ว่าปัญหาก็ส่วนหนึ่งนะแต่ความทุกข์ใจเนี่ยเราก็าไปยึดไปแบกเราเข้าไปเป็นของมันเองนะปัญหาเนี่ยเป็นเรื่องที่เราหนีไม่พ้นนะแต่ปัญญาเนี่ยเราสามารถมีได้ถ้าเรามีปัญญาเราจะพ้นจากความทุกข์นะควาว่าพ้นจากความทุกข์ไม่ใช่ว่าเราจะไม่แก่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่เจ็บ ไ, ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ตายไม่ใช่ว่าเราจะมาไม่เจอคนอินทา ไม่ใช่ว่าเราจะไม่เจอคนทําร้ายไม่ใช่ว่าเราจะทํางานจะต้องแบบราบเรียงนะไม่มีอุปสรรคนั้นไม่ใช่นะเราจะมองเห็นว่าปัญหาเป็นส่วนหนึ่งแต่เราจะมีปัญญาที่ไม่เป็นทุกข์ใจอไม่ทุกข์ใจเพราะความเจ็บไม่ไทุกข์ใจเพราะความแก่เนี่ยเราสามารถทําได้ไม่ทุกข์ใจเพราะคาะนินทาว่าร้ายเนี่ย หรือคนตำมนิเนะี่ยเราสามารถทําได้นะอนั <c oughs> ่นจริงๆนะถ้าเราฝึกหัดธรรมะเนี่ยเราจะสามารถวางใจของเราให้ไม่ทุกข์ใจกับเรื่องพวกนี้ได้มีมีตัวอย่างหนึ่งมีหลวงพ่อรูปหนึ่งท่านอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะท่านอยู่บนเกาะนะที่ดินบนเกาะเราก็รูนน้นะมันก็แพงนะชาวบ้านเขาก็อยากจะได้ที่ดินของวัดเนนะี่ยเขาก็พยายามแบบประมาณว่า ตามด่าตามทำร้ายนหลวงพ่อแบบไม่ให้หลวงพ่ออยู่เป็นสุขอ่นะท่านออกมาบินถาบาทนะโยมที่อยู่หน้าวัดก็ด่าท่านนะด่าท่านเตี้ยๆให้ใหนะ้ท่านก็บินถาบาทท่านก็เดินไปไปรับบาตรนะในหมู่บ้านในชุมชนเดินกลับมาอนะจะเข้าวัดก็ผ่านบ้านเขาเหรอเขาก็ตามเขาก็มาออกมาจากบ้านนะมาด่านะมาตั้งใจด่านะ คล้ายๆเหมือนกับหมาเลยนะีในละคนมานี่มันออกมามาเอ้านี่ก็เหมือนกันนะออกมาด่านะก็เหมือนมาเอานะท่านก็ฟังเหมือนหมาเอ้าแล้วนะท่านก็แต่ตอนแรกท่านเดินไปท่านไม่ไม่อะไรแต่พอกลับมาเนี่ยก่อนเข้าวัดท่านเดินไปหาโยมเลยนะหาโยมคนนั้นจับแขนจับแขนเขาก็ถามเขาว่ามึงด่าใครมึงด่าใคร โยมก็ก็ด่ามึงนั่นแหละมึงไม่พูดเป็นหลวงข้อพิมพานะถ้ด่ามึงนั่แหละเนีหลวงข้อใช่ไหมเออดีแล้วด่ามึงอ่ะดีรับวจะมาด่ากูด้วยกันท่านท่าไม่เอาคําด่ามาเป็นเป็นตัวเราเป็นของเรานะ่ไหท่านก็มีทุกข์ใช่ไหมถ้านก็มองเขาด่าเราไม่รับอ่ะก็เป็นของเขาัแหละไม่ใช่ของเรานี่แล้วก็ด่ามึงนั่นแหละก็ ไม่ใช่ด่ากูบนี่เ์ทีทุกข์ทใหมใช่ไหมอันนี้แหละก็ท่านก็เดินกลับว่าไปโยมก็งงงงนะด่าแล้วมันไม่เจ็บนะเราเองทุกข์นใช่ไหมอันนี้คือคนที่มีปัญญาเนาะคนที่มีปัญญาจะมองเห็นว่าคำด่านี่มันก็เราไม่ต้องทุกข์ก็ได้นะอย่างพระพุทธเจ้านะโยมโดนมีคนไม่ชอบท่านนะ คนที่นับถือและที่อื่นเขาไม่ชอบท่านจ้างในสมัยพุทธกาลมีนักดาแตจ้างนัดดานะคล้ายๆในสมัยนี้นะคนจีนมีจ้างคนร้องไห้ใช่ไหมร้องไห้เวลางานศพอันนี้มีการจ้างนัดดานะจ้างเท่าเจ็ดวันเจ็ดคืนตามหนาผู้เจ้าเจ็ดวัเนเจ็ดคืนนะกลาวันกลางคืนเนี่ยเจดวันเจ็ดคืนนะโอ้ท่านก็พักอันนนบอกว่าต้องหนีพี่เธอ เขาด่าเร า, ยาเรอยอะแต่เกินพระหนอนบอกว่าเอ้าแต่พระพุทธเจ้าบอกว่อาออถ้าเราหนีจากที่นี้ไปอีกที่หนึ่งเขาก็ตามเราอีกแล้วจะทำไงจะหนีไปอีกเหรออพระนองก็บอกหนีไปแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าอืมเขาด่าที่ตรงนี้ก็ให้จกที่ตรงนี้เราจะไม่หนี เ, เราจะไม่ใช่คนเลยนะคือเราก็เหมือนหลวงพ่อแล้วนะไม่เอาคำด่ามาเป็นความทุกข์ใจนะ พวกเจ้าโดนตามมาเจ็ดครั้งเจ็ดคืนเนะหรือว่าโดนทําร้ายด้วยธนูทำร้ายด้วยช้างทําร้ายด้วยก้อนหินทํำร้ายด้วยการตามฆ่าพวกนี้นะนี่ถ้าเรามองอย่านี้เห็นไหมคนเราแม้บางทีผู้ที่ประพฤติปฏิบัติดีแล้วบางทีเรื่องพวกแกก็หนีไปคนนะออหนีไปคนความลินทาว่าร้ายการพัดภาคสูญเสียหรือการโดนทําร้ายเนี่ยก็หนีไปคน บางทีเราคิดว่าเราทําบุญแล้วเราจะหนีกรรมพ้นะกรรมเนี่ยไม่ใช่เรื่องหนีนะแต่กรรมคือเรื่องที่เราต้องใช้เมนะื่อวานนี้มาก็ไปสอนที่หนึ่งก็มีคนถามว่าเนี่ยทาบุญเป็นปฏิบัติธรรมเพื่อแก้กรรมทําง่ายหรือเปล่านะมาว่าทามาก็เดยบอกว่าเหมือนกับโยมยืมเงินคนอื่นแล้วโยมไม่ใช้เนี่ยมันถูกหรือเปล่านะนะ นั่นเหมนเป็นคนโกงเนะเรายืมของคนอื่นยืเงินคนอื่นนะเราไม่ใช้ก็คือเราโกงเขาเราทํากรรมแล้วเรามีใช้กรรมเนี่ยก็เหมือนโกงนะโกงกรรมอ่ใช่ไหมแต่ที่จริงการภาวนามันไม่ใช่ว่าเราจะไม่ใช้นะถ้าเขามาทวงเรามีเราก็ให้เราก็ต้องยอมรับสิ่งที่เราทำในอดีตแต่การปฏิบัติธรรมเนี่ยโยม มันจะทําให้บางทีเขามาทวงแต่เราไม่ทุกใจออทวงอะไรมัจเจอร่าก็มาทวงนะตอนนี้เขาก็กำลังมาเตือนนะส่งจดหมายเตือนอะไรเตือนนะนะว่าตอนนี้อาวิวเบลเลยนะเตือนนะนะตอนนี้เป็นโรคอะไรแล้วนะเขามาเตือนบอกเราว่าเราใกล้จะไปแล้วนะอทําใจได้ไหมนะว่าเราจะไปทําใจได้ไหมว่าเราต้องพัดพาดจาก คนรักของรักต่างๆเราทำใจได้ไหมอันนี้คือจดหมายเตือนนะจดหมายเตือนจากมาติยราชฎรนะเตือนแล้ว่าสักวันหนึ่งเราต้องไปเราไปแล้วเราจะทุกข์หรือเปล่าที่จริงไม่ใช่แค่จดหมายเตือนนะเขาก็ส่งบททดสอบเล็ก้ น, น้อยๆในชีวิตให้กับเราได้เจอเนี่ยแหล ะ, ะ, ะการทัดท่าสูญเสียคนนินทาว่าร้ายนะ เรื่องราวที่ทําให้เกิดความทงบนใจเนี่ยเข้ามาเข้ามาส่งแบบฝึกหัดให้เราได้ฝึกหัดนฝะึกหัดในการวางใจถ้าเราฝึกหัดในการวางใจได้เนี่ยเราก็จะอยู่กับโรกนี้ได้นะอย่างไม่ทุกข์ใจคล้ายๆกับนักเดินเรือที่เก่งเนาะก็สามารถประคองเรือออกทะเลออกมหาสมุทรผ่าคลื่นผ่พาพายุนนะกลับสู่ฝั่งได้อย่างปลอดภัย จิตของเราก็เหมือนกันนะถ้าเราฝึกจิตของเราดีเนี่ยเราก็สามารถผ่านะผ่าปัญหาผ่พาอุปสรรคผ่าความทุกข์กลับมาสู่ฝั่งคือความเป็นปกติของจิตได้อันนี้แหละคือเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมก็ได้เนาะการปฏิบัติธรรมไม่ได้เกี่ยวกับศาสนานะนันเกี่ยวกับใจนะเพราะว่าเราจะเป็นใครเราจะนับถือศาสนาไหนเนี่ย มันมีส่วนประกอบอยู่สองอย่างคือร่างกายกับจิตใจใช่ไหมถ้าเรามีแต่ร่างไม่มีใจเราเรียกว่าอะไรตายเนาะ <c oughs> เรียกว่าเรียกว่าศพเรียกว่าคนตายนะ่้ยไม่เรียกว่ามนุษย์ไม่เรียกว่าคนเนา ะ, ะเรียกว่าคนตายแล้วมีแต่ร่างคล้ายๆกับท่อนไม้นะเออไม่ได้มีรากไม่ได้ยืนต้นก็เรียกว่าเป็นซากนะเป็นซากไม้เป็นท่อนซุงนะ เนะี่ยเรามีร่างกายอีกอย่างหนึง่งเรามีจิตใจนะแต่ปัญหาของคนส่วนใหญ่ก็คือว่ากายกับใจเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยชอบอยู่ด้วยกันคล้ายๆเหมือนกับสามีภรรยานะบอกว่ารักกันแต่ไม่ค่อยชอบอยู่ด้วยกันเออมันไม่ค่อยชอบอยู่ด้วยกันกายกับใจของเรานะเออมันเกิดมาคล้องกันนะเออ แต่ตอนตายใจมันไปก่อนมันทิ้งกายไปให้เขาเผ า, าอืมแต่ก็แต่ปัญหาของตอนเรามีชีวิตเนี่ยเราบอกว่าเรามีชีวิตแต่กายกับใจเรามันไม่อยู่ด้วกันรู้จังไหมใจมันเราบางทีเรานั่งอยู่ตรง น, นี้นะดีใจมันแวะไปที่บ้านอออ่าเแวะไปอถึงการงานในตอนตอนเย็นแล้วอ่า บางทีใจเราเนี่ยแวะไปได้ไกลมากนะแวะไปประเทศอื่นก็ได้แวะไปกรุงเทพก็ได้นะมันไปที่แบบเร็วมากเลยนั่งตาแปบบ๋วแป๋วที่นี่ยนะใจไปไหนไม่รู้เนี่ยบางทีก็ไปอดีตบางทีก็ไปอนาคตใช่ไหมใจของเราเนี่ยมันไปได้สารพัดเลยนี่แหละคือปัญหาก็คือว่าพอใจมันไปอ่านะ เราก็าไปกับเขาด้วยคือใช่ไหมเคยไหมบางทีนอนกำลังจะหลับพอคิดห่วงลูกที่อยู่ที่อื่นเนี่ยบางทีก็ทุกข์ใจน้อยไม่ดหลับบางทีก็น้ําตาไหลใช่ไหมหรือบางทีไปคิดถึงคนเขาบินทาเราเมื่อวานเนะี่ยเขาบินทาแต่เมื่อวานนะแล้วนะวันนี้เราก็เอามาคิดต่อเราก็ทุกข์ใจเราก็น้อยไม่หลับใช่ไหม อันนี้คือพอเราเกิดความคิดปุุมแต่งขึ้นมาเนี่ยราก็ไปยาวเลยไปปรุงต่อสารพัดใช่ไหมปรุมต่อเป็นความทุกข์ใจบ้างปรุมต่อเป็นความโกรธเข้าบ้างใช่ไหมโกรธจะไปทําร้ายเขานะ่จะไปอะไรต่างๆไอ้พวกนี้คือพอใจมันไปเราไม่รู้ทันเราก็เลยไปกับความคิดนะปัญหาของคนนะก็ ค, คือแบบนี้แหลนะ แัญหาคนคือพอใจมัไปเรามิทันมันมันก็เลยกะเดิดไแต่คล้ายๆเหมือนกแบบับเ้าวที่มันไม่มีเชือกคอยตุ้งไปพอพอเชื่อมันขาดเ้วก็ลอยไปตามลม็นะนถ้ามันคิดตึงจบนั่นแหละนะมันค่อยรู้ตัวเห็นไะหมโกรธมาแล้วด่าไปแล้วนะั่งไรู้ไป <c oughs> รู้ตัวหรือบางอย่างเอาง่ายๆ อ, อาจจะไม่ใช่ความดึงแรงนะ แต่เสียนั้นเก๋ซองเล็กน้อยเช่นังไปห้างเนี่ยไม่ได้กลัดจะซื้ออะไรมากนะแต่พอออกจากห้างทีมันก็ถืออะไรทั้งสองมือเลยไหมอืมพอกลับมาแล้วเออจะเอาไปทําอะไรดีวะอืมพอถึงค้าบริจาคเนี่ยบริจาคสิ่งของเนี่ยโอ้มีของเยอะที่เราไม่ได้ใช้ต้องบริจาคอันนี้คือมันก็เป็นเรียกว่าเราไม่ทันเนาะเราไม่ทันความคิดนะ เราไม่ทันความคิดเราก็เลยทําตามความคิดนความคิดที่บางทีถ้ามันไม่ทันแล้วมันดีมันก็โอเคนะไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ทําให้ตัวเราเดือก้อนนั้นก็ดีแต่บางทีความคิดที่เราไม่ทันเนี่ยเราทําแล้วเราเสียใจเคยไหมไม่น่าไปด่าไม่น่าไปพูดอย่างนั้นเลยไม่น่าตีลูกเลยนะไม่น่าทําอย่างนั้นเลยเราจะมีความรู้สึกแบบไม่น่าเลย คำว่าไม่น่าที่เราไม่ทันเนาะเราเผลอทาโดยที่เราไม่ทันยังคิดไม่ทันแต่ที่จริงไม่ใช่ว่าไม่ทันยังคิดอ่ะมันคิดไปแล้วเราก็เลยสนองมันสนองมันไปอันนี้คือปัญหาที่พวกเราเจอนะวันนี้อาจรมาแล้วก็ค่ายจานอ่ะตับดีคงเนาะก็ว่าจส่วนพวกเราได้ทุกขัดเล็กน้อยนะเพราะว่ามันก็มีเวลาไม่มากแต่วิธีการที่จะแนะนําพวกเราเนี่ย มันสามารถไปทำได้ในชีวิตประจําวันของเรานะครับการปฏิบัติธรรมจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่แบบเราต้องไปอยู่ปา่าเราต้องมาตัวหรือเราต้องเรียกว่าไม่เกี่ยวข้องกับผู้คนเท่านั้นนะพระอาจารย์ที่วัดน่ะหลวงพ่อที่วัดท่านสอนพระกัตมาทั้งสองท่านบอกว่าสอนในเรื่องให้เรามีสติถ้าเรามีสติเนะี่ยไอที่บอกว่าใจที่เราเผลอไปเนะี่ยมันจะกลับมา มันจะกลับมาได้คล้ายๆเหมือนเราฝึกนะใจเราคล้ายๆเหมือนกับบางทีมาเปรีบทียบง่ายๆเหมือนกับมันเราเลี้ยงหมาเลี้ยงหมาเราได้ลูกหมามาใหม่ๆเนี่ยมันไม่รู้บอกมันชื่ออะไรนะแต่พอเราเรียกมันในบ่อยอสมมตินิกอ้นิ๊อ้นเข้ามาแต่แรกมันไม่มานะเราต้องมีพู้มันมาก่อนอืแต่พอเราเรียกมันในบ่อยเราเรียกมันในบ่อยใช่ไหมมันค่อยจําชื่อมันได้ มันค่อําได้ว่าเราเป็นเจ้าของมันพอเรากลับมาบ้างแหละมันวิ่งมาหาเลยแต่มใหม่มันไม่เป็นเช่นนั้นใช่ไหมต่เราเองก็เป็นเช่นนั้นแหละมันชอบออกไปข้างนอกมันชอบคิดมันชอบหลงแต่สติเนี่ยจะเป็นตัวที่อยกให้ใจมันกลับมาอยู่กับปัจจุบั น, นเราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าเป็นวิธีทําให้จิตมันเป็นปกติทําให้จิตขมันไม่ทุกข์นะ แต่ถ้าเราจิตเราไปอดีตนะ่ยมันจะทุกข์จิตเราไปอนำโคตรไปความกงังวลไปความกลัวเนะี่ยมันจ ะ, จะเกิดความทุกข์ใจนะอืมหรือบางทีไม่ทุกข์หรอกแต่มันก็เพลินแบบมือนะมือแบบคาดหวังอ่คิดฝันว่าโอ้ว่าจะต้องสุขสบายแบบนี้นะแต่แต่บางทีพอเราหวังนะเราก็ทุกข์ใจใช่ไหมเช่นสมมติวันนี้อืม น, นี้หวังว่าเดี๋ยวจะออกไปนะออกไปชายทะเลนะแต่บอกว่าสมมุติตอนบ่ายสนตกไม่ได้ไปละก็ผิดหวังรู้นะอันนี้บางทีความหวังของเราเนี่ยบางทีมันไม่แน่นอนเนาะว่าเราจะได้สมหวังหรือเปล่านะเน้นจิตของเราให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันเมื่อจิตเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันนะลองเดี๋ยวลองทําดูถ้าเอาจิตเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันคือกลับมาอยู่กับ ร่างกายอนยะ่างที่บอกว่าเรามีกายกับใจนะแต่ใจนะั้นไม่ค่อยมักอยู่กับกายเราจะมาฝึกเครื่องมือให้ใจเรากลับมาอยู่กับกายเมื่อใจกลับมาอยู่กับกายได้นะใจมันจะมีทุกข์นะเพราะว่ากายเนี่ยมันมันจะเป็นเครื่องอยู่นะเรียกว่าเป็นกรรมฐานก็ได้นะเมื่อเรากลับมาอยู่กับนะร่างกายเราขนาดปัจจุบันเนะี่ยจิตมันจะเป็นปกติ เราจะทำอะไรก็ได้มันจะเรียกว่ามีชีวิตมีความสุขนะหรือเี่ว่ามีชีวิตชีวาก็ไดนะ้เราเดินเราเดินไปเรารู้ตัวว่าเรากำลังเดินนะเรานั่งรู้ตัวว่ากำลังนั่งนอนก็รู้ตัวว่ากำลังนอนหายใจก็รู้ตัวว่ากำลังหายใจนะเราจะมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันนะเนื่องเรากินข้าวเนี่ย ถ้าเราจิตเราอยู่กับการกินข้าวสติอยู่กับตรงนั้นนะข้าวก็อร่อย <c oughs> ไม่ใช่ว่าต้องไปร้านไหนให้มันเป็นแเป็นเด้อร่อยนะเพราะเรากินอย่างมีสตินี่แหละเราถึงจะอร่อยแต่ถ้าเราไปกินพัตตคานแพงขนาดไหนแต่ถ้ากินไปคิดเรื่องงานคิดกังวลเนี่ยข้าวแม้รสชาติจะดีนะแต่เราไม่ได้มีความสุขใช่ไห ม, มแต่ถ้าเรากินอย่างมีสติเนี่ย กินอะไรนะ่ะมันก็สามารถอร่อยได้อย่างผนะ้าอนิโยนใส่ในบาตรกับข้าวอาหารของหวานครับน้าพริกป่นกันหมดนะอืมแต่ถ้าเรากินนะอย่างมีสตินะมันก็อร่อยนะแต่ไม่ใช่อร่อยแบบเพลิดเพลินนะแต่อร่อยที่เราเห็นคุณค่านะของอาหารอร่อยที่เรารู้สึกว่ามันได้กําลังวังชาเพื่อได้มีชีวิตได้ ท, ทํากิที่เป็นประโยชน์ อันนี้คือมันเป็นการฝึกจิตฝึกใจเนาะบางทีมาว่าบางทีการฝึกใจเนี่ยมันก็ไม่ต้องว่ารอว่าเราต้องมีปัญหานะอะไม่ใช่ว่าต้องรอว่าเราต้องแบบคนที่เรารักเสียชีวิตหรือว่าต้องรอตอนเราแก่แล้วก็อรอตอนเราทุกข์มากๆค่อยมาฝึกการฝึกเหมือนเป็นการเตรียมความพร้อมะ ไม่ใช่ว่าเราต้องมีปัญหามาก่อนค่อยฝึกนะเราต้องฝึกกับเตรียมความพร้อมให้ก่อนเหมือนเราต้องเตรียมเงินเตรียมทองเตรียมประกันสุขภาพประกันชีวิตไว้เมื่อตอนที่เราไม่สบายกายเราได้มีเงิน ม, มีทองมีหลักประกันไปการรักษาโรคภัยไข้เจ็บของเราใช่ไห ม, มใจเราก็เหมือนกันนะถ้าเราไปรอว่ามันมีความทุกข์แล้วค่อยมาฝึกเนี่ยบางทีมั น, มนยากนะ ออกมาเคยไปดูไปเยี่ยมคนต่วใหญ่คนถ้าบางคนไู่เคยฝึกปฏิบัติอจิตใจของเราเองเนะี่ยเมื่อข่าวที่ร่างกายมนะันไม่สบายมากๆเนี่ยไปสอนให้ปฏิบัติทำสอนยากนะมันร่างกายมันก็เจ็บอะ่ะมันมันก็เหนึ่อยเนาะมันจะให้อปฏิบัติทำให้ศึกษาทำบ้างบางทีมันไม่ค่อยไหวแต่ถ้าคนที่มีพื้นฐานมาบ้านเนี่ย พอไกล์ต่ออีกทีหนึ่งเขาก็วางใจได้นะวางใจได้ก็อันนี้ก็จะดนะีหรือถ้าเราไม่มีปัญหาเนี่ยเราสามารถที่จะเอาชีวิตของเราเนี่ยแหละไปทําถึงที่มีประโยชน์ได้จริงๆเลยนะคนที่มีปัญญาจริงๆเนะีนะ่ยออจะเรียกว่าเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวคนที่ไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยมันตรงกับคำว่าเนี่ยจิตอาสานะถ้าถ้าเราเห็นแก่ตัวเนี่ย จิตมันจะไม่ค่อยอาสารหรอกเข้าใจไหม ม, มันจะไม่อยากสระเงินสระทองมันจะไม่อยากสร ะ, ะ, สร ะ, ะเวลาไม่อยากช่วยคนอื่นหรอกเพราะว่ามันเห็นยังเห็นแก่ตัวอยู่มีเงินมากบางคนมีเงินมากนะแต่ไม่อยากที่แม้แต่จะสระเงินทองของตัเองแต่ถ้าเราลดความเห็นแก่ตัวเราก็จะสระได้นะสระเงินสระทองสระเวลาสระความรู้ อันนี้มันตรงเลยพวกเราเป็นคนที่มีจิตอาสาใช่ไห ม, มจิตอาสาเนแหละคือการปฏิบัติธรรมรูปแบบหนึง่งเพราะเราจะสามารถให้เดินทองติ่งของคนอื่นให้ความรู้ช่วยเหลือเขาได้ อ, อย่างดีแต่จิตอาสาควรมีธรรมะเพราะบางทีถ้าจิตอาสาไม่มีธรรมะมันเกิดทุกข์เราไปให้เขานะ่ะสมมติ ไม่เขอบคุณเราเลยเนี่ยทุกไห ม, มบางคนก็อาจจะทุกบางคนอาจจะไม่ทุกนะบางทีเราไปช่วยคนอื่นนะเขาไม่เห็นคุณค่าที่เราช่วยเราเคยแม่ไปแจกผ้าห่มพอสักพักเดือนสองเดือนกับไปเห็นข้าห่มที่ห่ อ, อืเหล่ากาชาติแต่ทิ้งเกะกะไม่ไม่เอาไปใช้ต่อเราเป็นไงก็รู้สึกรู้สึกไม่ค่อยดีนิดหนึ่งเนาะใช่ไหม เราไปให้อะไรเขาไปแล้วเขาไม่ได้เห็นคุณค่าบางทีเราก็เป็นแบบนั้นเราเคยไหมบางทีเราทําประโยชน์ต่อสังคมช่วยเหลือคนอื่นแต่แต่บางทีเราก็ทุกเพราะว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเนะี่ยดังนั้นบางทีเราเป็นคนดีแล้วมันยังไม่พอนะต้องเป็นคนดีอย่างไม่ทุกข์ด้วยเนี่ยถึงจะดีนะอืมอันนี้ก็เลยจะมามาลองฝึกอัดดูรูปแบบให ไม่ไม่ยากเนอะไม่ต้องไม่ต้องมากมายทุกคนทำได้นะอย่างลูกสิตหลวงพ่อที่วัดธรรมามีคนหนึ่งนะเขาเป็นคนพิการพิการมาสามสิบหกปีแล้วนะแต่ตอนที่เขาพิการสิบหกปีเนะ่ยเขาก็มีโอกาสขิดจะหมายหาผมงพ่อนะถามว่าผมเป็นคนพิการผมอยากปฏิบัติธรรมทำได้หรือเปล่า เรือว่าคนที่าการปฏิบัติทำได้ไหมทำแบบไหนสมาธิดูจิตห่าดูจิตก็ได้ทำสมาธิก็ได้แต่เอาเ่นจริงโยมนอนอยู่กับเตียงเนี่ยทำสมาธิมันง่ายหรือยากขนาดเรานั่งสมาธิแต่นั่งนะย็งง่วงนอนใช่ไหมคนนอนนะั่งทาสมาธินี่โอ้โออยยิ่งยากนะอืม เขาก็เคยทําเหมือนกันนะเขาเคยทําสมาธิวยการ น, นอนแล้วก็ให้จิตเป็นสมาธิส่วนใหญนอนแล้วก็จะหลับอออืืสมาธิมันลึกเกินไปเขากลายเป็นหลับนะแต่ลมข้อท่านบอกว่านะถ้าดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกดูนะไม่ใช่ไปอยู่ถ้าไปอยู่มันจะหลับแต่ถ้าดูมันจะไม่หลับนะก็ได้หรือเขาบอกหลวงพ่อก็บอกถ้าพอปิดมือได้ ก็ให้ลิกมือนะคลิกมือง่ายรู้สึกคลิกมือปว่ำรู้สึกเดี <c oughs> ่ยวลองทําลนะเอา ม, มือวางไว้ที่หัวเขา่านะ <c oughs> ไม่ต้องมองมือนะเนะ <c oughs> อามือให้ว่างทักมือหนึ่งนะนะ <c oughs> ไม่ต้องหลับตาเนาะคลิกมือรู้สึกไหมควม่ำมือคล้กค đi um tôi thực mấy รู้ว่าอะไรรู้การเคลื่อนไหวรือการเคลื่อนไหวอย่างนี้นะสมมติเราคงมือเราไว้หลังเก้าอี้มือข้างไหนก็ได้นะตรงนี้มือกำหรือแบ่อารู้งไงว่แบ่รู้สึกใช่ไหมไม่ใช่คนข้างหน้าบอกนะ ถ้ามาบอกว่า <Gym>. มือโยมกรรมโยมเชื rude, <T strategic Catherine> ่อไหมไม่เชื่อทำไมอะงมาเป็นพลาดนะใช่เพราะเรารู้ตัวเองเนาะเรารู้เองว่าเราทำอะไรเป็นการมั่นใจนะไม่ใช่มปเชื่อคนอื่นอลองทำดูสิรู้ไหมแย่รู้ไหมํารู้ อ่าถ้าไปหลังบอกไม่น่ะก็ไปแค่หลังหลังก็ได้ดูไหมอ่าเอาวางไว้ก่อนแล้วตอนที่รู้มันคิดไหมอ่ะใจเราอยู่กับตอนที่เรากำมือหรือตอนที่เราคลิกมือเนี่ยใจเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่อยู่ที่ตัวเราเองเนาะอยู่ที่ตัวเราเอง อย่าไปเอางมือไว้นี่เอาอย่าไปใจไว้ในมือนะจันจะโดนกรรมอันนี้จริงๆนะก็คือว่าให้เราแค่รู้เฉยๆอย่าอย่ามีแบบคล้ายๆปิจ้องอยู่ที่มือมันจะถ้าเราทํานานๆมันจะเครียดมันจะเครียดเหมือนคล้ายๆเราพยายามบังพับ ก, กันมากเกินไปแต่อันนี้ถ้าเราให้รู้เฉยๆธรรมดาเนี่ยใจเรามันคิดหรือเปล่าบางทีก็คิดนะถ้าทํานานๆ แต่แวะไปคิดแต่มันจะคิดไม่นานเราก็เราจะกลับมาอยู่ตรงนี้กลับมาอยู่กับสิ่ี่เราทำเนี่ยคนพิ ก, การที่ทุกสิ่งต้องพ่อเขาต้อนอนอยู่ตรงนี้โดนอนอนพลิกมือทำแบบนี้ยแต่ก่อนคิดว่าตัวเองเป็นคนพิ ก, การตัวเองก็แต่ทุกแต่พอทำอํำแบบนี้ยประมาณเดือนหนึ่งนะทําทุกวันนะทํา วันละหลายชั่วโมงนี่แหละะไม่มีอะไรทํ า, ทานะทำอย่นี้สุดท้ายประมาณเดือนหนึ่งนะเขาตาออกเกี่ยวความพิการไม่ใช่ว่าคืนบาดคนพิการนะตาออกคืออะไรเห็นความพิการเป็นเรื่องของกายแต่ใจเราไม่ใช่คนพิการเขานั่นใจเอะใจมันใจก็ส่วนหนึ่ง้ร่างกายพิการก็ส่วนหน มันแยกได้ว่าลราเอ็ ก, การพิการเนี่ยนะเราก็รักษาไปเราก็ดูแลไปแต่ใจเราไม่ได้เป็นคนพิการนลยนะพอเราคิดว่าใจเราพิการเนี่ยมันแบบหมดอะไรไปอยากเลยใช่ไหมมันมันทุกเพราะเขาก็ทุกเพราะความพิการของเขามา16ปีแต่พอฝึกสตินะแยกได้ว่ากายมันพิการใจไม่พิการก็ได้คนะนี่อันนี้คือวิธี เราจะแยกได้ต่อไปโยมนั่นแหละนะเราอาจจะเป็นคนป่วยมันจะแยกได้ว่าป่วยแต่กายใจเราเป็นปกติอยู่แบบนี้เนี่ยเมื่อเราโดนคนอื่นทําร้ายก็โดนทดําร้ายแต่กายแต่ใจเราไม่ทุกข์ด้วยก็ได้อันนี้คือถ้าใจเราอยู่ตรงนี้นะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าบางทีในชีวิตของเราเนะี่ย ที่จริงเราเคลื่อนไหวตลอดเนาะอันนี้มาเปรียบเทียบแม่ว่ามือเคลื่อนไหวแต่จริงเราเคลื่อนไหวตั้งแต่อื่นจหนหับเลยพับผ้าห่มแปรงฟันล้างหน้ากินข้าวน ะ, นะเดินแต่ลองทบทวนอยู่ในเองว่าส่วนให่ใจเราอยู่กับสิ่งที่เราทํำไหมไม่ค่อยอยู่เนาะบางทีเราก็แปรงฟันแต่เป็นกิริยาแต่ใจเราก็คิด่ะ เสร็จแล้วอยากไปทำอะไรดีอ่าตอนนี้จะทํากับข้าวอะไรดี น, นี้จะไปกินอาหารที่ไหนดีหรือเดินบางทีเราเดินนะบางทีเราลงจากรถนะยังไม่ถึงห้องแต่บางทีใจเราคิดถึงเคพื่อนในห้องก่อนนะอืออ่อบางทีตัวเราอยู่ในห้องตัวนี้นะนั่งอยู่นะแต่ใจก็แวะไปที่บ้านนะอืมมันไม่อยู่เนาะมันไม่อยู่กับตัว เราก็มีวิธีว่าดึงสติกลับมาอยู่กับตัวอ่าจจะลองฝึกลองเดินนะอย่างมีสตินะเมื่อกี้เราฝึกปิดมืออย่างมีสติต่อไปนะี่วิธีฝึกแบบนี้โยงยงกวาดบ้านมือเราเคลื่อนไหวแล้วก็มีสติกับการกวาดบ้านแต่ไม่ใช่ว่ากวาดไปบนไปแต่วตกวาดไปก็รู้สึกตัวไปอ่า เราทำอาหารเราก็มีสติกับการรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวนะมันเป็นวิธีที่เราสามารถอยู่กับปัจจุบันได้นะเดี๋ยวโยวมอาจจะเอากระเป๋าเอาสิ่งของวางไว้บนเก้าอี้บนะนที่นั่งของเราแล้วลุกขึ้นมาก็ได้เกี่ยนนิยมวดมา่า